เรื่องประยมพื้นที่สร้างวิหารสามเรื่อง182สมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีกำลังตรียมพื้นที่สร้างวิหารภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างยกศิลาส่งขึ้นไปศิลาที่ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนรับไว้ไม่ดีทัดตกลงทับศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างจนถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่อยู่ข้างบน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 กำลังเตรียมพื้นที่สร้างวิหารภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างยกศิลาส่งขึ้นไปภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะฆ่าจึงปล่อยศิลาลงบนศีรษะภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างจนถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ปล่อยศิลาลงมาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จากข้าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่ส4บสสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันทําการก่อสร้างวิหารภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างยกศิลาส่งขึ้นไป ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะฆ่าภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่างจึงปล่อยศิลาลงบนศีรษะแต่ท่านไม่ถึงมรณภาพภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอวดสาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปปราดทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบร่งตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จากข่าพระพุทธเจ้าค่าพิสษุเธอไม่ต้องอบัดปาราชิกแต่ต้องอบัตผทุลใจวงเล็บเรื่องที่สิบห้า